ที่ชื่อว่าเตียงได้แก่เตียงสี่ชนิดคือวงเล็บหนึ่งเตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในขาวงเล็บสองเตียงมีแคร่ติดกับขาวงเล็บสมเตียงมีขาดังก้ามปูวงเล็บ4ี่เตียงมีขาจดแม่แคร่ที่ชื่อว่าตัางได้แก่ตังสชนิดคือวงเล็บหนึ่งัมีแม่แคร่สอดเข้าในขาวงเล็บสองตังมีแม่แคร่ติดกับขา วงเล็บสามต่างมีขาดังทล้ามปูวงเล็บสี่ต่างมีขาจดแม่แคล่ที่ชื่อว่าฟูกได้แก่ฟูกห้าชนิดคือวงเล็บหนึ่งฟูกขนสัตว์วงเล็บสองฟูกเศษผ้าวงเล็บสามฟูกเปลือกไม้วงเล็บสี่ฟูกหญ้าวงเล็บห้าฟูกใบไม้ที่ชื่อว่าเก้าอี้ได้แก่เก้าอี้ที่เขาถักพื้นสำหรับนั่งภายในทำด้วยเปลือกไม้ก็มีทาด้วยหญ้าแฝกก็มี ทำด้วยหญ้ามงกระต่ายก็มีทำด้วยหญ้าพร่องก็มีคำว่าวางไว้คือวางไว้ด้วยตนเองคำว่าใช้ให้วางไว้คือใช้ให้ผู้อื่นให้วางไว้ภิกษุนใช้อนุปสัสมบันิให้วางไว้เป็นภาระของภิกษุนั้นใช้อนุปสัสมบันิให้วางไว้เป็นภาระของผู้วางไว้คำว่าเมื่อจะจากไปไม่เก็บเสนาสนานั้นคือไม่เก็บ ด้วยตนเองคำว่าไม่ใช้ให้เก็บคือไม่ใช้ให้ผู้อื่นเก็บคำว่าหรือไม่บอกมอบหมายไปเสียความว่าภิกษุไม่บอกมอบหมายภิกษุสามเณรหรือคนวัดเดินล่วงเลทตุบบาทของบุรุษมีกำลังปานกลางไปต้องอบัติปาจิตตี